มาต ร, าราออการพระเถระมุเตระขอโอกาสพระคุณเจ้าเจริญธรญรแค่เดียวทุกคนตอนนี้ก็เป็นการแสดงคำครั้งที่สองเมื่อคืนก็แสดงคำอยู่แล้วต้องมีทุกทได้นั่งในสภาเมื่อคืนก็แสดงไปแล้วนนถ้าแปล ว, แว่าอันนี่เป็นคือจริงๆแล้วผู้ตายกเ็เป็นเป็นหานก็เลยทางเสื้อจริงๆเราก็เป็นสภาพด้วย ก็เลยอยากจะให้อาตมาแสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งก็เ็ื่อคือได้พดถึงเรื่องเอ่อเรื่องอานิจจานะสังขาราสังขาราอานิจจาเรื่องความไม่เที่ยงเพราะว่าพูดถึงเรื่องความไม่เที่ยงก็คือทุกอยางในในโลกนี้มันมีแต่ความไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นแล้วก็กลับไปนักเปลี่ยนใจตลอดเวลา ไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งหมดเรื่องของจักราลเรื่องของโลกเรื่องของชีวิตของเรามีแต่ความไม่เที่ยมมี่ได้ฟังเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานก็เหมือนกันเนาะเมื่อคืนพูดถึงกัว่าต่อหน้าเนี้ยเขาว่าสบายดีอยู่เขาแข็งแรงล่าเริงเหมือนปลาแต่หน้าวันนี้ไม่ใช่แล้วเขามาเปลี่ยนเป็นสภาพเป็นตกไปแล้วนะแล้วหน้าวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยสภาพร่างกายก็ได้เปลี่ยนไปหมดแล้วพรุ่งนี้ก็คงได้เห็นกันว่าเปี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าทีพวกเนี้ยมันเป็น คือมาตั้งอยู่ไม่ได้ก็เปลี่ยนแปลงแต่ชีวิตของเราเนี่ยด้วยความที่เราไม่รู้นะเราไี่รู้เราเรีกว่าทุกอย่างในโลกนี้มันจะต้องเที่ยงต้องมั่นคงต้องไม่เปลี่ยนแปลงเราไปยึดมั่นหรือมั่นในสิ่งนี้เมื่อเรายึดมั่นหรือมั่นก็ทําให้เรามีความทุกขทางใจเพราะว่าเราไม่เข้าใจเรื่องของธรรมชาติพอเป็นทุกข์ทางใจก็อย่ากที่เห็นก็คือสศกเ้าเสียใจเมื่อสิ่งที่อันเียนที่รักของเราถูกทิ้งไปเราก็เป็นทุก หรือว่าไม่กระทั่งว่าเราบางบางบางครั้งเนี่ยไม่ถึงกับการท่านฆแค่เราเจ็บเราป่วยเราเป็นไพ้หรือว่าพี่น้องของเรานะมีการเจ็บมีการป่วยมีการไข้เราก็เป็นทุกข์แล้วด้วยเหตุ น, นี้เพราะว่าเราไม่ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าเอ่อทุกอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงของมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยหมักเป็นไปตามสม่ยชาติทีนี้วันนี้อาตมาจะขอขอพูดถึงเรื่องเรื่องความจริงนะ บางทีที่เราเกิดมาเราหนีวิญญาณแต่ต้องเจอเจอมันนะบางทีก็คือเรื่องทุกข์นะเรื่องทุกข์กับเรื่องไม่ทุกข์เพราะว่าเรื่องคามทุกข์เนี่ยว่าเป็นว่าเป็นแล้วก็คือว่าความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นกับทุกคนแม้กระทั่งตัดก็กกเกิดทุกได้นะทีนี้ความทุกข์เรื่องของคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่นะไม่ว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มหรือว่าไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนนะ ชนไทยคนจีนคนคนยวนคนอะไรก็แล้วแต่ล้วนแต่มีความพุ่ทั้งขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราจะหมีทุกในส่วนนี้ไม่ได้ส่วนนี้คืออะไรก็คือทุกทางตายนะไม่ว่าจะเป็นใครต้องมีทุกทางตายเกิดขึ้นแม้แตะทั่งว่ า, าขณะที่เรานั่งอยู่ตอนนี้นะความรู้ึกว่าบางคนอาจจะนั่งสบายดีอยู่แต่ถ้าเราสังเกตนะเราสังเกตตัวเราเนี่ยเราจะพบว่ามันไม่ได้สบายอยู่จริง เดี๋ยวเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยนะเพราะฉนั้นอย่างยังตอนนี้ถ้าสมมติว่าโยมได้ได้ลองสังเกตตัวเองว่าสิ่งที่เราพูดตรงนี้มันเป็นความจริงหรือไม่เราสามารถที่จะตรวจสอบได้ตัวเราเองนะเพราะว่าความจริงก็คือความจริงมันไม่ได้เปเรื่องที่เรามาพูดทลอะเอาเจ้าตัวนสามารถที่จะตรวจได้ด้วยตนเองนะความเมื่อยความปวดความเจ็บทําให้จริงจริงนะมันให้ดีไปจากเรา ไม่มีใครเลยที่เกิดมาไม่เคยเจ็บไม่เคยปวดนะไม่มีใครเลยที่เกิดมาไม่เคยเป็นไข่มีแต่ความสบายอย่างเดียวไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะั่นแหละคือความทุกข์มันจะพวกคู่เราตลอดทั้งชีวิตเมื่อเกิดมาแล้วเราจะต้องประสบกับสิ่งพวกนี้เราหนีไม่พแต่ว่าความทุกข์ทางกายนะความทุกข์ทางกายเนี่ยสิ่งที่พอจะบรรเทาได้ก็คือเรื่องของการแก้ไขมันก็คืออย่างเช่นเราปวด เราหนักปวดอยู่เนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนหรือยาปวดไปเมื่อเราเปลี่ยนเราก็จะพบว่าความทุกข์นะความไม่สบายเนี่ยมันก็ได้หายไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่อีกหน่อยหนึงเดี๋ยวมันก็ปวดขึ้นมาใหม่อีกนะปวดขึ้นมาใหม่แล้วเราเก็เปลี่ยนอีกก็เปลี่ยนอีกมันก็หายปวดหายปวดชั่อีกหน่อยมันก็ปวดอีกตรงนี้จคือความทุกข์ความทุกข์ที่มีอยู่จริงในตัวของเรา เพราะนั้นถ้าเราหมั่นสังเกตเรื่อยๆเราก็จะพบความจริงข้อนี้ว่าใช่เลยความทุกข์มีอยู่จริงนะทีนี้ความทุกทางใจความทุกข์ทางใจเราจะทํายังไงถ้า่อเกิดมาแล้วเมื่อมันเกิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องได้ต้องฟังคําสอนหรือว่าได้ฟังจากผู้รู้ทั้งหลายว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงนะเราอยาไปปฏิเสธมันถ้าเราปฏิเสธเมื่อใดเราก็จะเป็นทุกขังใจเท่อนั้นเพราะว่าเราไม่มีทางที่จะหนีมันได้แล้วเมื่อเกิดมาแล้ว แต่ถ้าเราไม่เกิดมาแบบนี้สิถือว่าจะไม่มีทุกข์เลยแต่ถ้าเกิดมาแล้วก็ต้องยอมรับมันนะแล้วทุกข์ทางตายเนี่ยจริงๆมันก็มีอาการมากมายนะหลายอยา่างเช่นความทุกข์จากความร้อนนะความร้อนก็เป็นทุกข์ความหนาวความเย็นก็เป็นทุกข์ความปวดทั้งหลายความเมื่อยความตึงนะมันก็เป็นทุกข์อยู่มันมีครั้งเราตลอดเวลา แต่ว่าคนที่ไม่ดูก็ย่อมไม่เห็นอย่างที่เราเคยได้ยินจากบางที่เราเคุยกันในกลุ่มนะบอกว่าเ อ, อพวกเราเรองรัปฏิบัติกันนะมาดูทุกคนเขาบอกว่าปฏิบัติทําไมเขาเกิดมาเขาไม่เคยมีทุกเลยเราก็ฟังเพิ่แสดงว่าเขามีทุกอยู่แต่เขาไม่ได้ดูผขไม่เห็นแต่ถ้าเราดีให้ดูอย่างนี้ทุกคนต้องยอมรับได้ว่าดีใช่ความทุกข์นี้อยู่จริงนะเพราะฉะนั้นความพวกพี่กายเนี่ยก็อย่างนี้ก็คือให้บรนเทามันนะ อากาศร้อนก็อ่ า, าบบน้ำเปิดแอรมันก็ เ, เยน็นถ้ามันหนาวก็ผมผ้าเออมันก็อุ่นขึ้นมันก็แค่ต้องมากรรเทาได้ประมาณขนาดแบบนี้ส่วนความเจ็าไข้ย่างไรก็หนีไม่พ้นทันน้งยอมทั้งหลายนะเกิดมาแล้วจะต้องมีความเอเ่อเจ็บไข้ได้สบายนะ ม, มีอาการป่วยบ้างหายป่วยบ้างาป่วยบ้างหายป่วยบ้างมันก็จะสลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆรแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจข้อนี้ เราก็จะเลือกร้องอย่างเดียวว่าเราไม่อยากกล่วยนะเราไม่อยากเป็นไข้เพราะนั้นถึงเราเรียกร้อเท่าไหร่คํามันค่าตัวสัตจะทําัจะจะเนเขาไม่ฟังเรานะเขาต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีใจที่ยอมรับกับสิ่งพวกนี้ได้ถ้าเรามีใจยอมรับกับสิ่งพวกนี้ได้เนี่ยเราก็จะทนทุกข์ทนทุกข์ทางใจได้หมายถึงว่าทนทุกข์ที่ใจไม้ทุกข์ได้นะส่วนอีกการหนึ่งก็คือเรื่องของทุกข์ทางใจ เรื่องทุกข์ทางใจเนี่ยมันต่างกับทุกข์ทางกายทุกข์ทางกายคือเราแก้ไขไดได้ทีแบบร้อยเปอร์เซ็แต่เรื่องทุกข์ทางใจนะไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนไม่ว่าจะเป็นเป็นใครก็ตามสามารถที่จะพ้นทุกข์ทางใจได้อย่างแน่นอนนะการวิธีพ้น ท, ทุกข์ทางใจมันปฏิบัติอย่างไรหรือจะทำอย่างไรถึงให้พ้นให้พ้นทุกข์ทางใจได้เราจะต้องเบื้องแรกก็เหมือนกับคล้ายๆว่าเราที่จะรา ง, งานตัวเองก่อนว่า ตใจเราตีนได้ได้มีความทุกข์ทางใจอย่างเช่นเรื่องของอย่างสมรรัตนเรื่องของการเกิดการแก่การเจ็บการตายอย่างเนี้ยจริงจริงมันเป็เรื่องภายนอกใช่ไหมความเกิดมันก็เกิดทำไมถึงก็เกิดตามที่ร่างกายความแก่ก็เกิดที่ร่างกายเนี้ความตายก็เกิดที่ร่างกายแต่ทํำไมใจต้องเป็นทุกข์ด้วยก็อย่างเมื่อกีที่บอกแล้วถ้าใจไม่ยอมรับใจก็เป็นทุกข์แน่นอนแต่ถ้าใจยอมรับกับสิ่งพวกนี้ได้ใจก็ทนทุกข์ได้แน่นอนเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความเข้าใจเรื่องนี้เรื่องของการที่ไม่ทุกขังใจก็คือเราจะต้องฝึกสึกแล้ฝึกเี่ยฝึกแล้วฝึกเี่ยับสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเรานะมันเกิดครั้งหนึ่งแค่ป่วยครั้งหนึ่งอ๋แล้วก็รู้ว่าปวดนะเราก็ฝึกดูที่ว่าเออใจของเราเป็นทุกข์พยายามเราปวดถ้ารใจเราต้องเป็นถ้าใจเราคงเป็นทุกข์อยู่ก็ต้องกลับมาดูที่ใจว่าโอ้ใจมีความเป็นทุกข์อยู่แล้วก็ดูดูทุกข นะเรากที่เกิดในใจเมื่อเราดูพุกเราก็จะเข้าใจเรื่องทุกข์ว่าที่เราทุกข์เนี่ยมันเพราะอะไรมันก็จะไปพุกที่เหตุเหตุของมันก็คืออะไรเหตุก็คือความอยากอยากอะไรก็อยากไม่ป่วยนะอยากไม่เกิดเป็นเหตุอยากที่อยากไม่ป่วยอยากที่อยากไม่เป็นท้มันก็เป็นเมื่อมีอยากความอยากก็คือเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าเราไปเจอต้นเหตุของของมันคือความอยากเราก็รับความอยากเสียเมื่อรับความอยาก เราเว่าเป็นตัวที่เป็นต่าต้นตอของมันความทุกข์ก็จริงไม่เกิดทางใจนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอ่อมันหันไปดูใจของเรานะเราก็จะพบว่าใจของเราเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งมันมีแต่ความอยากทั้งความอยากทั้งหมดเลยนะอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่อยากให้นั่นอยากไปนี่อยากเที่ยวนู่นอยากเที่ยวนี่พอไม่ได้เที่ยวพอไม่ได้ตามที่เราต้องการมันก็เป็นทุกข์ทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเราแบบคนทุกข์ทันใจ ก็คือจะต้องรักความอยากนะการรักความอยากนี่แหละคือเป็นการตัดต้นตอของมันนะเมื่อลักได้ความทุกข์ก็จึงไม่เกิดจริงจริงละว่าไปแล้วมันก็ไม่ได้ยากแต่ที่มันยากคือเราไม่ได้ปฏิบัตินะเราไม่ได้ปฏิบัติเพราะเราหัวแต่ว่าไปไปรู้เรื่องข้างนอกนะรู้เรื่องข้างนอกรู้เรื่องคนอื่ น, นรู้เรื่องวัตถุรู้เรื่องรูปรสกลิ่นเสียงอะไรประมาณเนี้ย แทนที่จะดูใจตัวเองเราก็ไม่ได้ดูใจนะอย่างอย่างเรานั่งอยู่ตอนเนี้ยถ้าสมมติว่าทางญาติโยมได้ดูใจของเราเนี่ยบางคนอาจจะพบว่าเออใจของเราสงบดีนะตอนเนี้ใจเออไม่ได้ฟังคำไม่ดุใจสงบใจเบิกบานหรือ บ, บางคนอาจจะอาจจะไม่เบิกบาก็ได้อาจจะหุดหี่อาจจะกุ้มบกกุ้มใจกับงานที่ทา้งท้งอยู่ก็ได้แล้วแต่เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนดูจิตตัวเองก็แจะชอบเห็นอาการในจิตของตัวเองว่าขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้เนี่ยจิตของเรามันเป็นอย่างไรนะ ถ้าเราดูบ่อยๆเราก็จะพบบ่อยๆนะเมื่อพบบ่อยๆเราก็สามารถแก้ปัญหาในจิตได้นะว่าการในจิตเนี่ยมันแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาลองสังเกตนะว่าตอนเนี้ระหว่างที่อาจจะมาโทดอยู่เนี่ยใจของเราไม่ได้อยู่ที่ตัวใจของเราอาจจะสมออกไปคิดถึงเรื่องอื่นก็ได้นี่มันเป็นเรื่องของใจคือมันเป็นธรรมชาติจิตเขาคือเรื่องจิตใจเนี่ยเขามีหน้าที่คิดอยู่เพราะฉะนั้นเขาจะคิดอยู่ตลอดเวลา มันว่าจะจะคิดเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีนั่นก็คือเขาก็คิดอยู่นะถ้าเราไม่เห็นใจของเราเนี่ยเราก็จะเป็นผู้หลงนะหมายความว่าเนื้อลืมตัวเวลาใจหลงเนี่ยมันก็จะไปหลงหาเขาเรียกว่าไปหาทุกมาใส่เราเช่นสมมติว่าตอนเนี้ยเราอาจจะคิดถึงเรื่องเรื่องานไม่ได้ส่วนใหญ่คนทำงานก็จะคิดเรื่องมาว่าคิดไปว่าเองาน้างอยู่นะวันนี้ทําไม่เสร็จพรุ่งนี้ไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าแค่คิดแค่นี้ก็พุ่งใจแล้ว นะหรือว่าบางคนอาจจะคิดในทางบุญสนหน่อยบอเออพุ่งนี้จะจะทำบุญอยางนั้น อ, อย่างนี้จะใจบาเออที่อย่างนี้ใจก็เป็นสุกนะเพราะฉะนั้นความทุกข์หรือความสุขเนี่ยมันเกิดจากใจที่ที่มันคิดนะถ้ามันคิด gì, คดีที่เป็นบุญส่วนใจก็เป็นสุกถ้าคิดหาบุศส่วนใก็เป็นทุกข์ทีนี้เราจะจัดการกับความคิดอย่างไรเพื่อให้มันพ้นจากความทุกข์จากความสุขก็คือเราจะต้องฝึกให้มีสติรู้เท่าทันจิตของเรา จิตคิดก็ร no. ู er ้นะจิตคิดก็รู้มันคิดครั้งใดก็รู้ว่าติตคิดครั้งนั้นไอ้ตรงที่รู้ว่าติตคิดตรงนี้แหละมันจะเป็นตัวตัดความคิดนะยกตัวอย่างเช่นถึงแม้ว่าเรานั่งใจลอยอยู่นะเรานั่งใจลอยนั่งคิดถึงอะไรจนเพ้ออยู่อย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเกิดอะไรเราไม่รู้สึกตัวมันก็ยังหลงไปคิดอยู่แต่ถ้าเรารู้สึกตัวเช่นอาจจะมีคนมาตะกี้หรืออาจจะมีคนมาเรียกเราพอเรารู้สึกตัวตั้ ความคิดที่เป็นเรื่องราวทั้งหมดมันก็จะ่าดกระด้านลงตรงที่ความคิดขาดกระด้านลงตรงนี้แหละเป็นความหลุดพ้นเป็นความหลุดพ้นจากขนาดจิตหนึ่งเพราะว่าขนาด น, นั้นเนี่ยมันจะไม่มีทุกข์ไม่มีสุขนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกฝึกให้มีสติรู้ท่าทางจิตบ่อยๆเม <ME> ื่อมีสติรู้ท่าทางจิตบ่อยๆเนี่ยตัวสติเนี่ยมันจะตัดความคิดขาดเป็นทอดน่อยอย่างเช่นเพราะว่ า, า, า, า, าขาดเป็นทอดๆไปได้คือมันตัดขาดเป็นทอนๆจนไม่มีเรื่องราวให้คิด เมื so. way, ่อเราไม่ม hmm. to so, ีเร so, so, ื world, ่องราวให้คิดความคิดในทางที่ให้เกิดสุขก็ไม่เกิดความคิดในทางให้เกิดทุกข์ก็ไม่เกิดมันจึงเหนือความขั้นความทุกข์ขั้นความสุขนะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สึงขั้นของการภาวนานะเป็นการทําให้มากเป็นการเจริญให้มากนะตรงนี้แหละมันเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อความบรรลุกเพราะนั้นที่พูดหาเมื่อทีเรื่องทุกข์ก็มีอยู่จริงนะเรื่องเให้เกิดทุกข์ก็มีอยู่จริงเรื่องความไม่ทุกข์ ก็มีอยู่จริงเลือกวิธีปฏิบัติก็มีอยู่จริ ง, อ, อ, รงอันนี้ในทางพุทธศาสนาเขาเรียกว่าอริยสัจสี่นะอริยสัจสี่เพราะนั้นเป็นสิทธที่เราจะต้องทําต้องทําให้มากคือทําอย่างไรทุกให้รู้เกิดทุกขั้งใดไม่ว่าที่ตายก็ดีที่จิตก็ดีให้รู้ถึงนั่นใหว่าคือทุกให้รู้ถึงเลยอย่าลือย่าหยาดนะเช่นเรานั่งปวดอยู่เนะี่ย เรียนแค่รู้ว่าขณะเนี้ท่างกายมีความรู้สึกว่าปวดนะอยากวิ่งอยากหายถ้าเราอยากวิ่งเมื่อไหร่นั่นความฟุ้งความใจจะเกิดขึ้นมาทันทีเพราะเราไปอยากให้มันา่ายไปนะคือคือก็เหมือนกันความเจ็บปว่วยความร้อนที่เราอยู่เรื่ออ า, ากาศตอนนี้มันร้อนนะผมว่าบางคนอาจจะรู้สึกร้อนถ้าเราไปรู้ที่ฟุก้งก็คือรู้สึกว่ามันไม่สบายากับความร้อนเราเพียนแค่รู้ว่าตอนเนี้ย มันเกิดอาการให้สบายคือมันเป็นรู้แค่รู้ว่ามันร้อนเฉยๆนะโดยไม่ต้องอยากให้หายร้อนร็อกถึงเราอยากให้หายร้อนอย่างไรในเมื่อทำไม่พลาดยังมีความร้อนอยู่มันก็ไม่ตอบสนองเราเพราะฉะนั้นเพียงแค่รับรู้แต่ว่าอย่างที่บอกคือการทุบที่กายแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งก็คือถ้าร้อนก็เอพัดลมถ้าเมื่อยก็เปลี่ยนหรือหยาบนะอ่าแต่ทุกทางใจ นั่นแหละคือไปลาความอยากมาันแค่ไม่ต้องอยากความุก็ไม่เกิดทางใจนะคิดว่าคิดว่าคงจะฟังเข้าใจครับพ อ, อเป็นมม เ, เรื่องง่ายง่ายวันนี้พูดธรรมะเป็นภาษาไทยเรื่อยๆเลยแล้วก็เป็นธรรมะเอ่อเขเรียกว่าเป็น ท, ทั้ทงภาคทฤษฎีภาคปฏิบัตินในตัวทฤษฎีก็คือเป็นภาคคือเรากําลังบรรยายธรรมอยู่ภาคปฏิบัติก็คือโยมจะต้องสังเกตตัวเองว่าตอนนะี้มีผู้ทางใจไหมมีผู้ทางใจไหมใจมันมีอะไรคิดไหม นะทีน <N h olo i> so ี้เรื 10, 20, ่องของการฝึกนี่แหละมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยเราจะรอว่าเออพรุ่งนี้ค่อยฝึกให้ใอญ่ยุ่มากกว่านี้ค่อยฝึกอย่างหนุ่เๆสาวๆบอกว่าเอ้ยยังสาวอเลยเดี๋ยวถ้าสี่ห้าเส็จหรือเราจะเสียก่อนค่อยไปฝึกอย่าเพิ่งประมาทอย่างนั้นเพราะว่าไม่แน่ก็คือไม่แน่ก็อาจจะตายที่ต่อไม่ยังไม่ฝึกนะเพราะฉะนั้นเราจะต้อง เลิกสนใจที่จะปฏิบัติได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยนะพอเราไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนความตายเป็นเรื่องไม่แน่นอนเนาะอย่างน้องแป๋วเองเนี้ยใครจะรู้ว่าเขาจะตายตอนอายุแค่89แค่นี้ใครรู้เลยหรือบางคนไม่ได้อายุขนาดนี้เกิดมาออกจากพ้องแม่แค่เดียวก็ตายก็มีเกิดมาจนปวดตอนปวดเท่าไหร่ก็มีนะหรือบางคนอาจจะอยู่นานก็มีก็แล้วแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากละมาดในชีวิตของเรา เราจะต้องปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุได้ในชานนี้ความทุกข์เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะความทุกข์เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ความไม่ทุกข์ก็เป็นเรื่องยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเราจะต้องสนใจที่จะปฏิบัติธรรมท่าแรกเราไม่รู้หรอกว่าจะปฏิบัติอย่างไรต้องอาศัยครูบาอาจารย์ต้องอาศัยพระคุณเจ้าหรืออาศัยญาติโยมเพื่อแสดงเจตาานาญาณมิตรในการศึกษาหารือในการพูดคุยกันว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อความบรนลุ จะต้องสนใจเรื่องนี้ถ้าเราไม่สนใจเราก็ต้องพุ่งรางไปชาตนี้คาติชาตนี้เป็นพุ่งชาติหน้าก็เกิดใหม่นะทีนี้ถ้าเราไม่เจริญเวลาเกิดใหม่เราก็ไม่รู้ว่าเกิดใหม่จะเป็นอะไรอีกนานเท่ากันเกิดเปนคนเรียมันยากแต่ยากอยู่แล้วถ้าเราเจิญไปเกิดแสงจัดใรัศฐานจะทํำยังไงนะวัะนั้นเราจะต้องสนใจปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติตอนนี้เดี๋ยวนี้กันเลยนะ เราสังเกตนะตอนนี้อย่างเนี้ยความอาจจะมาอยู่เนี้ยใจมันมีไปแล้วมันมีการคิดเราต้อตอบไหมมันอาจจะคิดเรื่องอะไรก็ได้บางคนอาจจะบอกให้คิดเลยที่บอกว่าไม้คิดเลยเพราะอาจจะไม่เห็นว่าตัวเองที่อยู่บางคนบอกว่าเออให้เลยว่าที่ไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่มันมีจริงๆนะเพราะงเราต้องหักดูหนักดูให้เห็นความคิดของตัวเองนะถ้าเราไม่ดูเราก็จะหลงทั้งวันทั้งทั้งชาติเกิดมามีแต่ความหลงตลอดเวลา ก็คิดว่าวันนี้ก็สมควรแก่วเวลาเนาะแล้วก็ยังไงก็ฝากให้ญาติลงก็ลองไปปฏิบัติสึกษารหรือไปคุยกับอางารยนะแล้วก็ขอให้มีความาเข้าใจในธรรมนะเข้าใจในธรรมแล้วก็สามารถพนพุทได้ในในทาานี้ก็ไวันก็มีด้วยกันสาธู